เป็นไงสวดมนต์เมื่อสักครู่นี้เห็นอะไรในตัวเองบ้างสวดมนต์ไปใจอยู่กับการสวดมนต์ตลอดไหมอองทีใจก็แวบไปร เ, เรื่องอื่นเนาะนี่แหละคือเราไม่ได้สวดมนต์เพื่อ เพื่อเอาบุญนะอืมแต่ก็สวดมนต์เพื่อเป็นกรรมฐานก็ได้<ม>คือว่าเนะียอาศัยการมีสติระดึกรู้นะขนาดที่สวดมนต์กายเรานั่งอยู่ในท่าไหนนะมือพนมอยู่อย่างไรนะปากขยับนะขนาดที่สวด น, นะเสียงที่เป็นออกมานะจากตัวเราเองก็ดี หูที่เราฟังเสียงของผู้นำหรือว่าของเพื่อนรอบๆก็ดีให้พวกนี้คือถ้าเราเรารู้นะมันอาจจะรู้บางอย่างชัดกว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่เหมือนว่าพูดท้่เห็นภาพว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนาะถ้าเรารู้นะเช่นเน่ ร่างกายหรือรูปนะรูปนี้ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายลเท่านะั้นนะเสียงก็เป็นรูปนะกลิ่นก็เป็นรูปนะหรือว่าเนะี่ยอากาศต่างๆเนะี่ยพวกนี้ยเป็นรูปเพราะนั้นนะนะรูปมันก็ที่เราพูดคร่าวๆว่าร่างกายคือเฉพาะรูปของเราเนี่ยนะนะที่เป็นสมมุติแต่จริงรูปนะที่เป็นวัตถุเนะี่ย มันทั้งกายนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้นะ่ะทางกายภาพนะทางที่มําดับรู้ก็ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นคือรูปทั้งนั้นแหละนันการที่เราสวนมนเนี่ยเรารู้สึกระลึกรู้ถึงร่างกายนะ่ะที่นั่งที่พนมมือที่ขยับปากที่ฟังไปด้วยนะ บางทีก็ต้องฟังไว้ด้วยนะเพราะบางคนถ้าแบบสวดเอาแต่เราคนเดียวนะไม่ฟังคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเออมันจะมันอาจจะมีความตั้งใจที่จะสวดมากเกินไปแต่เราไม่เข้าใจว่ามันจะต้องสวดให้ให้มันเข้ากับเพื่อนเข้ากับจังหวะอย่างไรเนาะถ้าเปรียบเหมือนนักดนตรีะก็แบบ ชั้นชายเดียวไม่ได้เล่นเป็นวงนะถ้านักดนตรีที่เก่งนะหรือนักร้องก็ต้องร้องให้มันเข้ากับวงนะหรือว่าเล่นให้มันเข้ากับวงนะถ้าตัวเองโดดคนเดียวมันก็ทั้งวงมันก็ไม่เพราะแต่นี่คือให้เราสังเกตว่ขาขณะที่เราอยู่กับการสวดมนต์ก็ดีนะการรับรู้ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะ่ะก็คือว่าบางทีสวดไปมันไม่ใช่ว่าเราสวดมนต์แล้วมันจะเป็นสมาธิตลอดเวลานะบางครั้งจิตนะบางครั้งจิตเป็นสมาธิก็มีนะสวดมนต์ไปรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายนะจิตสงบนะก็มีแต่บางครั้งมันก็ไม่สงบก็ไม่ผิดนะบางครั้งจิตมัน เผลอไปคิดเรื่องอื่นแม้สวดไม่ผิดแต่จิตก็ไปคิดเรื่องอื่นไดน้นี่คือก็เห็นเออปากมันสวดถูกนะแต่จิตมันไปเรื่องอื่นแล้วเนะี่ยล้วก็เห็นมันแว บ, บไปอ๋อแวบบไปแล้นะมันอันนี้คือไม่ได้แปลว่าสวดแบบนั้นมันไม่ดีนะแต่ให้เราเห็นว่าเออมันเผลอไปเผลอไปเผลอไปนี่แหละเราเห็น เราสามารถเห็นทั้งกายแล้วก็เห็นทั้งจิตได้นะขณะที่เราสวดมนต์ทำวัดเนี่ยอะไรนะคือการปฏิบัติธรรมดังนั้นบางคนก็ถ้าเราสวดมนต์นะหรือทําวัดนะบทไหนก็ได้นะนะไม่ใช่แปลว่าบทไหนศักดิ์สิทธิ์บทไหนดีกว่ากันนะถ้าเราสวดมนต์ทำวัดเป็นกรรมฐานนะทุกๆวันนะก็สามารถทําได้นะ ตอนเช้าตอนเย็นหรือก่อนนอนนะให้เป็นเครื่องอยู่นะให้เป็นเครื่องฝึกนะสติก็ดีฝึกสมาธิก็ดีนะฝึกให้เกิดการเห็นเห็นความจริงนะเห็นความจริงอือกายแบบนี้จิตแบบนี้นะมันไม่เที่ยงแบบไหนอะมันบังคับไม่ได้แบบไหนนะมันเป็นทุกข์แบบไหน อย่างร่างกายมันก็แสดงความเป็นทุกข์นะทุกข์ไหมตอนนี้ <c oughs> ก็ทุกข์นะหายใจนะ่ะมันก็เป็นทุกขนะ์เราหายใจมันมันก็เหมือนส่วนหนึ่งเหมือนแก้ทุกขนะ์แต่จริงเพราะว่ามันเป็นทุกข์นะมันเลยต้องมันเลยต้องแก่นะ่ะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ก็เพื่อแก้ทุกข์ เนะพราะร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายมันเขาขยับนะเราไม่ให้มันมันไม่สามารถเจะนิ่งได้ตลอดเวลาหรอกนะอย่างเช่นตาเขากับพิฟเนะี่ยเขาก็เป็นทุกข์ของเขานะตาเขาเป็นทุกข์เขาเลยต้องกระพริ บ, บร่างกายมันต้องขยับนิดๆหน่อยๆเพราะมันเป็นทุกข์นะมันก็ขยับเพื่อบรรเทาทุกข์นะ ก็ไม่ได้ผิดนะเ อ, อ่อไม่ใช่แปลว่าเราต้องฝืนให้เขาไม่ขยับหรือเราต้องฝืนให้มันต้องนิ่งๆแต่ให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นทุกข์เนาะมันก็เลยต้องขยับต้องปรับเปลี่ยนแต่ให้เห็นว่านะี่ยจิตใจมันเข้าไปเกาะความทุกข์หรือเปล่าอืมที่จริงจิตใจไม่ได้เข้าไปเกาะตลอดเวลานะ อย่างที่พูดว่าตามันกระพริบหรือว่าหรือว่าลมหายใจที่มันเข้าออกเพื่อบรรเทาทุกขนะ์เนี่ยใจเราก็ไม่ได้ไปเกาะนะไม่ได้ไปกงังวลใช่ไมว่ามันจะต้องทำไมต้องกระพริบทำไมต้องหายใจเนะี่ยใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์นะแต่ถ้าบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะฝืนมันรู้สึกอยากจะเข้าไปควบคุมมันตอนนั้นแ่ะจะเริ่มเป็นทุกข์ อย่างถ้าใครเคยฝึกแบบดูลมหายใจมาบ้างเนะี <c> ่ย <oughs> ก็จะรู้สึกได้ว่าบางทีเราก็หายใจตั้งแต่เกิดเนาะแต่พอมานั่งดูลมหายใจเนะี่ยบางทีทำไมหายใจอึดอัดนะบางช่วงนะบางช่วงก็อึดอัดบางช่วงก็สบายอยี่ยงแต่มาเองแบบก็เคยฝึกแบบนั้นมาก่อนนะไม่ใช่ว่าการแบบแบบนั้นไม่ดีนะไม่ใช่นะเออ แต่หมายความว่าพอเราตั้งใจที่จะไปกําหนดที่จะดูเขาแบบตลอดเวลาหรืออยากจะดูเขาชัดๆเนี่ยเราเริ่มเข้าไปแบบบังคับเข้าไปแทรกแซงลมหายใจให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะอืมเราไปพยายามบังคับให้มันต้องหายใจยาวต้องหายใจสั้นต้องหายใจละเอียดอนะ่มันมีจังหวะ ต้องหยุดแบบนานขนาดไหนนะต้องพอยผ่อนแบบไหนเนี่ยการหายใจที่เคยเป็นธรรมชาติเคยสบายกลายเป็นไม่เป็นธรรมชาติอะใช่ไหมมันก็เริ่มเนี่ยโอ้จิตจิตใจมันก็เริ่มคือร่างกายก็เริ่มเป็นทุกข์ให้เห็นชัดเจนนะแต่ที่จริงมันก็เริ่มจากใจเนี่ยแหละที่มันที่มันเข้าไปจัดการที่มันเข้าไปควบคุมมากเกินไปอ่า แต่จริงพระเจ้าท่านสอนแค่ให้รู้ลมหายใจอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปควบคุมให้มันยาวให้มันสั้นให้มันอยากให้มันละเอียดนะแต่เมื่อมันยาวก็แค่รู้นะอย่างที่มันเป็นเมื่อมันสั้นก็รู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่แปลว่าให้เราไปทําแต่ให้เราดูมันให้เรารู้มันอย่างที่มันเป็นอันนี้พูดถึงว่าประสบการณ์เนาะ ที่ไม่รู้ก็อาตมาก็เคยเจอแบบนี้หรือบางคนก็จะรู้สึกว่าบางทีมันก็จะบางทีพอเราไปทำด้วยความอยากอยากจะรู้มากนะเราก็จะไปจัดการมากมันก็เลยเป็นทุกข์มากเนะี่ยเพราะว่าใจมันมีความอยากนะใจเข้าไปดิ้นโดนเข้าไปควบคุมมากเกินไปหรืออย่างแม้แต่เดินจงกรมอย่างนี้อนนะืม เราก็เดินได้ตนะั้งแต่ส่วนใหญ่ก็หนึ่งขวบเนาะก็เดินได้ละเริ่มฝึกเดินนะจะถึงตอนนี้แต่บางทีพอเดินจังกลมทีบางทีก็ก็เกรงนะ็งเนาะหรือบางทีก็เดินเราเครียดนะเดินแล้วปวดเมื่อยนะแต่เดินแล้วปวดเมื่อยมันก็เป็นธรรมชาตินะแต่บางทีบางทีก็เร็วมาถึงแล้วปวดเมื่อยเร็ว ก็เกรงเร็วเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติขณะที่เดินพรุทธเจ้าท่านแค่บอกว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนก็รู้ว่ายืนหรือแม้แต่คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกก็แค่ให้รู้สึกตัว เดียวซ้ายแลขวาก็คือแค่ให้รู้สึกตัวนะคือมันไม่ใช่แปลว่าต้องไปทำอะไรมากกว่าแค่แค่รู้นะนะเราเพียงแค่รู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละนะอาจจะไม่ต้องรู้โดยคำพูดภาคในใจก็ได้แต่ให้รู้สึกในปัจจุบันนะปัจจุบันมันมีสภาวะแบบไหนก็แค่รู้สึกนะ หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนะเดี๋ยวซ้ายแลขวาก็ให้รู้สึกนะเดินก็ให้รู้นะนั่งก็รู้แบบนีน้ก็คือหรือแม้แต่อยาบที่ว่าสวนมนต์ทำวัดมือพนมมืออยู่ก็รู้สึกอย่างตอนนี้นัน่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกนะ ฟังก็รู้สึกนะคือไม่ใช่รู้แค่ว่าอาจามาพูดอะไรนะนันะอันนั้นก็รู้ด้วยนะแต่ถ้าถ้าใจมันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ให้รู้ทันมันด้วยเนาะหรือบางคนนั่งอันนี้อาจจะง่วงก็ขยับนะตอนเช้าๆบางทีตื่นไม่เคยตื่นเช้าหรืออ่าก็ถ้าคนง่วงก็ให้ขยับ นะขยับตัวสักหน่อยนะบางทีความง่วงความซึมเราใส่การขยับแต่ถ้าบางคนไม่ง่วงก็นั่งฟังเฉยก็ได้นะศัยฟังไปนะแต่ถ้าใจเราคิดตามมากเกินไปนะ่ะให้เรารู้ทันนะบางอย่างไม่เข้าใจโอโใจมันไปคิดหมกมุ่นอยู่นะสงสัยลังเลนะแต่บางอย่างชอบบางอย่างไม่ชอบเกิดขึ้นมาในใจนะ ให้เราเห็นนะฮะพูดแบบนี้เราชอบพูดแบบนี้เราไม่ชอบนะมันไม่ใช่แปลว่าอย่าไปอย่ามาโทษคนพูดนะแต่ให้เราดูตัวเองบางทีเราจะที่จริงถ้าเราไปเอาความชอบความไม่ชอบเนี่ยแต่ทุะคนไม่เหมือนกันยงไม่เหมือนกันสมมติถ้ามาพูดแบบนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะไม่เหมือนกัน มันเพลงนะบางคนก็ชอบสไตล์ต่างกันนะอาหารก็เหมือนกันนะอไม่ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะก็ไม่ใช่ชอบทุกคนดอกออืมแต่นี่คือเราไม่ได้เป็นเน้นที่ข้างนอกแต่เราเน้นดูตัวเราเองนะแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าดูแบบไปตัดสินว่ามันว่ามันดีหรือไม่ดีนะนะเวลาดูแบบมีสตินี่ไม่ใช่ดูแบบตัดสินตัวเองว่า สภาวะนั้นที่เกิดมันมันไม่ดีนะสภาวะนี้ที่เกิดมันดีดูอย่างมีสติจริงๆแหละเป็นการดูโดยที่ไม่ได้ไปตัดสินไม่ไปให้ค่าแต่ดูอย่างที่มันเป็นมันเป็นแบบไหนก็ดูมันดับรู้มันนะเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นนะไม่ได้เป็นการไปตัดสิน ตัวเองไม่ได้ไปตัดสินอารมณ์ไม่ได้ไปตัดสินความคิดหรือแม้แต่ไม่ได้ไปตัดสินร่างกายว่ามันว่ามันทาไมเป็นทุกข์แบบนี้อนะเนี่ยเนาะทำไมเราคิดไม่ดีแบบนี้เออทำไมถึงจะหายคิดน่ะทำไมถึงอยากทำอย่างไรมันถึงจะสงบนนะเนี่ยเนาะพราว่ามันฟุ้งซ่าน คือบางทีเนะี่ยเวลาฟุ้งซ่านมันไปตัดสินว่ามันไม่ดีนะมันก็เลยยิ่งดิ้นโดนว่าทําไงถึงจะไม่ฟุ้งซ่านนะนะหรือเกิดความคิดขึ้นมานะบางอย่างถ้าเราแค่รู้ว่ามันคิดนะมันก็มันก็แค่นั้นเองนะแต่พอเราเริ่มไปให้ค่าว่าความคิดนี้มันมันไม่ดีนะเ อ, อเราคิดแบบนี้ เราก็เลยไม่ดีตามไปด้วยคือมันกลายเป็นเราให้ค่าแล้วเราก็ไปยึดว่าเป็นเราที่เป็นผู้คิดนะมันก็เลยเป็นทุกข์มากเลยแต่ถ้าเราแค่เห็นว่ามันคิดนะแล้วก็ยิ่งเห็นไปเรื่อยๆว่าไอ้ตัวรักคิดเนะี่ยมันไม่ใช่เราตัวรักคิดเนะี่ยมันเป็นเรื่อนที่จิตมันคิดของมันเองนะมันหาเรื่องคิดของมันเองนะเออ มันฟุ้งซ่านของมันเองนะมันอยากจะคิดก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกับถ้าเราดูดีๆนะเหมือนตอนเหมือนฝันอ่ะมีใครตั้งใจจะฝันไหมมันหลับแล้วมีใครตั้งใจฝันเรื่องอะไรไหมไม่ไม่มีนะมันฝันของมันเองนะอืมเราก็นอนไปแล้วนี่หน้าที่เราก็ทําหน้าที่นอนมันก็หลับไปแล้วด้วยซ้ํำนะแต่มันก็ฝันของมันเอง นี่จิตมันฝันของมันเองจิตมันคิดของมันเองจิตมันสุขมันทุกข์มันก็เป็นของมันเองนะนี่พอเราเห็นอ้อมันเป็นของมันเองแบบนี้เองนะเราเพียงแค่รู้มันเฉยๆเนี่ยอืมไม่ได้หลงไปให้ค่าไม่ได้หลงไปตัดสินนะแต่บางทีก็หลงไม่ใช่แบบว่าจะห้ามให้มันไม่หลงไม่ได้นะ นะเมื่อไรที่เราหลงไปให้ค่านะหลงไปชอบไม่ชอบนะหลงไปเข้าไปจัดการเข้าไปวุ่นวายกับอารมณ์กับความคิดเนี่ยเนี่ยให้มีสติแล้วก็รู้ตัวนะรู้ทันมันอ๋อรู้แล้วแบบไหนรู้แล้วยิ้มให้ตัวเองหน่อยอย่าไปรู้แบบไปโกรธตัวเองนะ โอ้ยไปดูแล้วไปโกรธโทษตัวเองไม่น่าเลยเอ่ไม่ชอบเลยที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้อะไรนะแต่จริงดูแล้วยิ้มให้กับตัวเองอ่ยิ้มเพื่ออะไรอ่ะเอาไม้อ่าเอาไม้น่าดูตัวไม้นะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะหลงไปแล้วก็หลงไปนะไม่สามารถแก้ได้นะ ออดีตเนี่ยแก้ไม่ได้ที่บอกว่าแก้กรรมในอดีตเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกนะจริงๆนะแม้แต่วินาทีที่ผ่านไปแล้วนะก็แก้ไม่ได้นะอืมเพราะมันเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้แต่ที่จะแก้ได้จริงๆคือแก้ที่ปัจจุบันนะเมื่อกี้มันหลงนะ่ะตอนนี้เราให้รู้ตัวเองรู้ซื่อๆรู้ไม่ได้ไปตัดสินให้ข้าเนี่ยคือแก้แล้วนะเอ่า กรรมฐ า, านจริงๆคือแก้กรรมที่ปัจจุบันนะอดีตเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของมันนะนะแต่เราแก้ที่ปัจจุบันที่เราหลงเนี่ยแหละนะหลงไปไม่พอใจหลงไปจัดการหลงไปบังคับอ้าวพอเรารู้สึกตัวเนะี่ยยิ้มนะตั้งดักใหม่นะรู้สึกตัวใหม่นะ จะหลงไปนานเท่าไหร่นะก็ก็ผ่านไปละนะก็รู้สึกตัวใหม่เลยรู้สึกตัวใหม่ <c oughs> แล้วก็ระวังนะระวังว่าบางทีบางทีเราก็จะอยากรู้มากเกินไปเราอยากจะดีมากเกินไปนะบางทีเราก็เกิดความกงังวลเกิดความกลัวไม่อยากให้มันหลงไม่อยากที่จะนะ ให้มันฟุ้งซ่านอีกไม่อยากให้มันคิดแบบนั้นอีกบางทีเราก็จะไปกั ง, งวลถึงอนาคตนะการกั ง, งวลถึงอนาคตเนี่ยคือการดืมปัจจุบันนะดืมอะไรลื่มว่าตอนเนี้ยมันกั ง, งวลใช่ไหมมันกังวลอนาคตว่าเออถ้ามันคิดอีกเราก็จะทุกข์อีกนี่วะนั่นเราต้องไม่อยากคิดนะ นี่ยตามโบนละนีะ่ความกังวลเกิดขึ้นที่ปัจจุบันน ะ, นะมันยังไม่คิดอีกเลยนะแต่เรากลัวมันคิดอีกเดยนะมันก็เป็นความทุกข์ในใจแล้วถ้าเปรียบตัวอย่างชัดนหน่อยอย่างโยมสมมติเราดูว่าเราจะต้องไปเจอใครที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยมันยังไม่ได้เจอเลยนะใจมันใจมันไม่สบายขึ้นมาก่อนล ะ, นะ คือเนะี้ยเป็นเรื่องในอนาคตแต่เราเอามาเป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยคือพอจิตมันไปปรุงแต่งไปกงังวลไปไม่พอใจกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาแต่ที่จริงสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะถ้าจะว่าไปจริงๆเนะี่ยสิ่งที่เป็นอดีตก็ตามสิ่งที่เป็นอนาคตก็ตามนะ มันไม่ใช่ของจริงเลยนะอดีตอาจจะเคยผ่านเข้ามาจริงนะแต่นาคจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยเนี่ยคือมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะสิ่งที่เราเคยทำไม่ว่าจะดีไม่ดีนะเราย้อนกลับมาคิดเราย้อนแล้วดึกแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ ไอ้ที่มันผ่านไปแล้วก็เรื่องหนึ่งนะแต่ตอนที่เราเก็บมาคิดตอนนี้แหละตอนนี้คือปัจจุบันที่เราต้องฝึกรู้ทันนะความสุขที่ย้อนเข้ามาในตอนนี้ความทุกข์ที่ย้อนเข้ามาในตอนนี้เพราะเรื่องที่อาจจะเคยเนื่องในอดีตก็ตามนะแต่จริงมันเกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะไม่ใช่ไปแก้ที่อดีตนะแต่เราให้เรารู้ตัวที่ปัจจุบันออมันรู้สึก ขึ้นมาแล้วหรืออนาคตนะบางทีเราก็จินตนาการเป็นความสุขบางทีเราก็วิตกกังวลจะเป็นความทุกข์นะแต่ที่จริงอนาคตจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมาในใจเราละนะนะปรุงแต่งอย่างไรนะใจก็เป็นอย่างนั้นนะแต่พอเรารู้ทันการปรุงแต่งนะจิตมันเลิกปรุงแต่ง มันก็กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยความไม่ทุกข์ก็ก็ปรากฏได้ในตอนนี้เลยเนะี่ยนี่คือที่จริงแล้วมันไม่ได้มีอดีตไม่ได้มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันเองก็ไม่สามารถที่จะมีแบบให้มันนานได้นะอ่านั้นการรู้สึกตัวจริงๆแล้วมันเป็นแค่แค่แว บ, บเดียวไม่ถึงวินาที้ลยซ้ำนะ มันเป็นแค่แบบเดียวถ้าเราสังเกตได้เวลาเรายกมือนะพลิกมือเราก็รู้อยู่สินะก็มีความรู้สึกว่ารู้แต่ก็มีความคิดแบบเข้ามาแทรกไดก้ขนาดแม้แต่ยกมือก็ดีหรือขนาดแม้แต่หยุดนะมันเร็วมาก เ, าเหมือนกับกระพริบตานะมันเร็วมากนะคือ หรืแม้แต่เรากินข้าวก็ยังเคี้ยวก็ยังเคี้ยก็ยังรู้สึกนะแต่ความคิดที่แว บ, บออกไปเนะี่ยโอมันเร็วมากคือเราก็เห็นมันนะเออมันบังคับไม่ได้หรอกแต่เราก็ก็เห็นมันอืมมันเป็นแบบนี้เนาะอือฮนะก็ดูมันนะเราจะเห็นว่าเนี่ยอืไ อ, อ้พวกนี้นมันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้มันใช่เราไหม ความเป็นเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะมันไม่มีนะมันมีแต่หลงเข้าไปตู่เอาว่ามันเป็นเรานะหรือบางทีเราก็หลงเข้าไปคิดว่ามันเป็นเราเราก็เลยไปบังคับไปควบคุมแต่แต่ยิ่งเข้าไปหลงทำแบบนั้นยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าเก่านะแต่การเพียงแค่รู้เฉยๆเนี่ยเออไม่ได้เป็นทุกข์นะออ แต่ถ้าเราหลงเข้าไปทำเนี่ยเออมันเป็นทุกข์อันเนี้ยให้เราเห็นพวกนี้นะเห็นเห็นกายเห็นใจนะเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราเพียงแค่เห็นเฉยเฉเนี่ยมันไม่มีเรามันมีแต่อาการแล้วอาการต่างๆเนี่ยมันก็แค่สภาวะที่เรียกว่ามันผ่านมาผ่านไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปนะแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเราเข้าไปยึดเมื่อไหรนะ่เนี่ยมันจะเดิเป็นทุกข์แล้วถ้าเราสังเกตนะนะอย่างตอนอย่างเรารู้สึกตัวเนะี่ยแม้แต่ตอนที่เราอยากจะรู้บางทีอยากจะรู้ชัดชัดอยากจะรู้เยอะๆเนะี่ยบางทีเราก็จะเหมือนพยายามที่จะแบบให้ปัจจุบันมันนานนะ่ะ เวลาดูแบบบางทีแบบค่อยๆรู้แบบเหมือนให้ตัวรู้มันใหญ่เหมือนให้ตัวรู้มันยาวนะเหมืนน่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่าปัจจุบันมันสั้นนิดเดียวการทำรู้น่ะเราดูแบบกระชับอืมรู้แบบกระชับมันจะตื่นนะบางทีมันก็อาจจะรู้หลายอย่างที่มันต่อกันนะบางทีไม่ได้เป็นตัวเดียวกัน อย่างเรารู้การขยับนะบางทีเราก็รู้สึกถึงลมหายใจด้วยบางทีเราก็รู้สึกถึงตาที่กระพริบด้วยบางทีเราก็รู้สึกว่าดมมันกระทบเราด้วยนะทั้งๆที่เราก็ยกมืออยู่นี่แหละแต่พอสติมันมันไม่ได้ไปจดจอ่อไม่ได้ไปบังคับอะไรมากเกินไปเนะี่ยมันก็จะดูได้ตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละนะแต่มันก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าจะรู้อะไรบ้างนะ แต่มายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นจริงในตอนนั้นบางทีสติเขาก็รู้ของเขาเองไม่ใช่แค่ยกมือสิบสี่จังหวะนะไม่ใช่ดูแค่สิบสี่ครั้งแต่บางทีดูทั้งเคลื่อนดูทั้งหยุดบางทีก็รู้การกระพริบตาบางทีก็รู้การหายใจบางทีก็รู้ถึงลมที่กระทบมาบางทีก็รู้ถึงตัวที่ขยับบางทีก็รู้ถึงท้องที่พองยุบแทบไปบ้างนะ บางทีก็รู้ทันความคิดนะมันหลงไปคิดอ่าเผลอไปคิดอีกแล้วเนะเราก็รู้สึกบางทีในท่าหนึง่งเออในรอบหนึ่งที่ยกมือเนี่ยเกิดความรู้หลายครั้งมากแต่บางครั้งก็รู้น้อยตอนไหนสังเกตไหมถ้าตอนไหนคิดจะยาวเนะ่ะถ้าเราไปหลงอยู่ในความคิดจะยาวเนี่ยนะ การขยับมือมันก็รู้ไม่ค่อยชัดนะมันรู้แบบแค่ <Okay. S 1> รู้แบบเบาๆแต่ตัวที่น้ำหนักมันไหลไปก็คือตัวความคิดนะตัวความคิดนะที่มันลากเราไปที่มันจมเราไปนะแล้วปฏิบัติธรรมก็ให้ฝึกรู้ทันตอนนั้นบ่อยๆเนาะเพราะว่าก็ต้องระวังทักหน่อยเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติเน่บางทีความคิดมันจะ มันจะเรียกว่ามันผุดขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะความคิดที่มันทำให้เกิดความพอใจและความไม่พอใจเรื่องราวที่เคยไม่พอใจเรื่องราวที่เคยพอใจหรือแม้แต่แผนการการงานหรือแม้แต่การไปเที่ยวอะไรต่างๆที่เรารู้สึกชอบ หรือรู้สึกต้องจัดการเนี่ยบางทีมันก็จะผุดขึ้นมาอย่างบางคนชอบทํางานนะบางทีอารม์ว่างๆแบบนี้บางทีก็คิดเรื่องงานก็เพลินบางคนชอบธรรมะบางทีก็คิดเป็นธรรมะเพลินบางคนชอบเทศนะก็คิดเรื่องเทศเพลินอบางคนสงสัยอะไรก็คิดเรื่องที่สงสัย นะจนเพลิดเพลินไปแต่พวกนี้คือหลงเท่งนั้นนะหลงเป็นสุขบ้างหลงเป็นทุกข์บ้างนะหลงดีบ้างหลงไม่ดีบ้างนะแต่ชื่อว่าแต่ต้นแต่ต้นแต่ต้นชื่อกับมันคือหลงทั้งนั้นนะ <c oughs> นะให้เรารู้นะหลงไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไนั้นนี่นะแต่ให้เห็นว่านะ่ะความหลงมันเกิดขึ้นมาก่อน ความหลงเกิดขึ้นมาก่อนก็เลยอาจจะเป็นความความกลัวบ้างเป็นความโกรธบ้างอ่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันหลงขึ้นมาก่อนนะหลงจากปัจจุบันไปคิดนะคิดเป็นความกังวลเป็นความกลัวนะลึกๆมีความกลัวอะไรก็ไม่รู้นะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจ ตามมาอีกบางทีนะออไม่พอใจที่เราคิดไม่พอใจที่มันหลงเนะี่ยมันเด็วมากนะนั้นตัวสติกับมันไปแก้ตัวหลงนะไม่ว่าจะหลงอะไรก็แล้วแต่นะนะสตินี่คือไปแก้ตัวหลงนะพอเรากลับมารู้สึกตัวได้มันก็ไม่หลงแต่พอมัน บางทีมันก็หลงไปบ้างนะก็ชักมือมันก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะเราฝึกแบบนี้เนาะวางใจสบายๆนะปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ใจสบายนะถ้าใจเคร่งเครียดนะถ้ามันจริงจังเกินไปเนะี่ยมันจะมันจะแบบกายก็ไม่สบายนะใจก็ไม่สบายนะวางใจสบายๆนะ แต่ก็ต้องทำใจว่ากายต้องไม่สบายบ้างแหละเพราะว่ามันต้องเดินมันต้องยกมือมันต้องเหมือนต้องปฏิบัตินะให้มันบ่อยๆเนาะ mm. กายก็ไม่สบายเป็นธรรมดานะนะแต่เราไม่ไปเพิ่มความไม่สบายกายโดยการที่เราไปทำด้วยความเกรงบางทีถ้าเราเดินเกรง เรานั่งยกมือเกรงนะเรายกมือไม่ผ่อนคลายนะไหล่เกรงนะหรือตาเพ่งจ้องหายใจอึดอัดนะบังคับเกินไปนะมันจะไปเพิ่มเพิ่มความทุกข์ของกายนี่ให้มันทุกมากขึ้นให้มันทุกเร็วขึ้นนะนะให้เรารู้สึกเตือนนะยกมือสบายๆนะเดินสบายๆ แต่ให้รู้ตัวไปด้วยนะไม่ใช่ว่าสบายแบบปล่อยใจนะบางทีสบายคือแปลว่าเพลินคือว่าไม่สนใจนะไม่ใช่นะสบายแบบรู้ตัวนะให้มีให้การเคลื่อนไหวของด้านกายด้วยอียบบทที่สบายผ่อนคลายแต่รู้ตัวนะการรู้ตัวสาหรับถ้าคนที่บางที คนฝึกใหม่ๆก็ดีหรือบางช่วงที่มันฟุ้งซ่านมากก็ดีนะก็ให้เพิ่มความใส่ใจเพิ่มความตั้งใจเข้าไปสักหน่อยนะรู้ตัวว่าใส่กําลังตั้งใจสักหน่อยรู้ตัวว่าใส่ใจนะสักหน่อยนะไม่ผิดนะทำด้วยความรู้ตัวไม่ใช่ทำแบบตั้งใจตลอดเวลานะมันจะเหนื่อยนะ แต่เมื่อมันฟุ้งซ่านมากไปนะเราใส่ความตั้งใจในการรู้ตัวนะหรือใส่ใจในการกลับมากลับมาย้อนกลับมาดูตัวบางทีก็เป็นการตั้งใจนะเหมือนตั้งใจย้อนกลับมาที่จะดูแต่แต่มันไม่ใช่แบบว่าต้องตั้งใจแบบมากๆตลอดนะเพราะ ม, มันจะเหนื่อยมันจะเครียดมันจะทุกให้เราก็มันคล้ายๆเหมือน เป็นเทคนิคในการแก้อารมณ์ตัวเองนิดหน่อยเนาะอืแต่ถ้าเราพอสบายสบายไปเรื่อยก็รู้สึกแบบไปเรื่อยๆ ร, รู้กายเคลื่อนไหวน่ะจิตมันจะคิดบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องไปห้ามมันนะคิดปุ๊บรู้ปั๊ บ, บนะหลวงพ่อเตียคิดปุ๊บรู้ปั๊ บ, บนะไม่ใช่ไปดักรู้ความคิดนะมันคิดขึ้นมาก่อนอ่าแล้วเรารู้คิดขึ้นมาก่อนแล้วเรารู้เนียนี่คือ มันก็สนุกนะเออไม่ได้ผิดนะแต่มันสนุกที่รู้ทันรู้ทันความคิดนะแล้วความคิดมันไปต่อไม่ได้นะมันคล้ายๆถ้าเราเคยมีแมลงนะสมมติว่าเหลือตัวอะไรก็แล้วเราให้มันไต่ปุ๊บพอเราไปจับมันปุ๊บนะมันหยุดนะอ่าหรือมีหนอนในเตลึกๆนะเอาไปแตะปุ๊บนะมันม้วนขึ้นมานะเออมันหยุดตรงมันนะ คือไม่ได้ไปว่าเราพยายามหยุดมันนะแต่พอเรารู้ทันมันปุ๊บนะอมันก็หยุดตัวมันเองนะเดี๋ยวเราเดี๋วเราพอเผลออีกมันก็ไปอีกอ่ะไม่เป็นไรก็รู้ทันมันใหม่เนี่ยสติจริงๆนะถ้าฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันมันก็อาจจะบางครั้งมันก็อาจจะมีความเบื่อความเซ็งแต่บางครั้งมันก็มีความสนุกนะ สนุกในการรู้สนุกในการดูสนุกในการเห็นความหลงนะบางทีมันก็ตอนเผลอมันก็เกิดมีความไม่พอใจนะเกิดความคาดหวังแต่ตอนรู้สบายๆจริงเอ๊ะมันก็รู้แบบยิ้มยิ้มได้นะรู้แบบหัวเราะตัวเองได้นะบางทีเราไปจริงจังมากเราก็โกรธตัวเองโกรธคนอื่นนะแต่ภาวนาจริง เนมันก็เราก็จะจริงจังน้อยลงนะก็หัวเลาะความหลงก็ได้นะนะหลงไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้ก็แค่รู้ทันมันยิ้มมันนะเอาใหม่ให้กับตัวเองนะนักก็ให้ค่อยค่อยปฏิบัติไปนะวันนี้นะวันนี้ก็ใช้เวลาในการฝึกตัวเองเนาะ เราวางเรื่องทางบ้านมาแล้วก็ถ้าหลงไปคิดเรื่องทางบ้านเนี่ยก็ให้ดูนะมันหลงเข้าไปนะกลับมาเราวางเรื่องหน้าที่การงานแล้วเนะถ้ามันกลับไปคิดอีกนะก็กลับมาใหม่เนาะอย่าไปเสียเวลาคิดนะเรามาสร้างสติเข้าไว้หรือแม้แต่ถ้ามันดลงไปคิดว่า เราจะเอาไปใช้กับชีวิตกับการงานอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ลงไปนะให้ให้มันเหมือนคล้ายๆให้เราสร้างสติสะสมสติเหมือนเรากินข้าวอะ่ะคือในขณะเนี้ยกินข้าวกินข้าวอา่าเรากินข้าวไปให้มันเป็นให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะแต่ อาหารที่เราทานไปแล้วมันจะไปสู่อาัยเยะไปสู่เลือดอย่างไรเนี่ยไม่ต้องไปคิดหรอกมันทําหน้าที่ของมันเองครัยเหมือนเรากินข้าวไปกระเพาะมันย่อยแบบไหนมันดูดซึมอย่างไรมันไปเลี้ยงสมองเลี้ยงร่างกายอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเองเลยแล้วต่อไปเรื่องการทํางานเรื่การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยสติจะเป็นตัวที่แบบช่วยให้เรา รู้ทันช่วยให้เราเห็นสภาวะต่างๆในในหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันของมันเองเลยนะแต่อยากให้ช่วงที่เราอยู่ตรงเนี้ยพยายามถ้ามันไปคิดกังวลเรื่องการงานเรื่องอนาคตเรื่องการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตน่ะให้รู้ทันว่ามันกำลังคิดนะรู้ทันว่ามันกำลังกังวลรู้ทันว่ามันสงสัยรู้ตรงๆที่ปัจจุบันนะอย่าไปอย่าไปคิด หาคำตอบให้กับมันนะนะแม้มันจะคิดอะไรก็ได้รู้ตรงๆมั น, นสงสัยรู้ตรงที่ความสงสัยกังวลรู้ทันที่ตัวกงังวลนะแต่ถ้ามันไปจมนะไม่สามารถรู้ได้อะไม่เป็นไรกลับมาดูกายนะกลับมาดูกายใหม่นะตัดบทมันเลยนะตัดบท่ะเราไม่ยุ่งกับเธอก็ได้ ดูไม่ได้ <c oughs> ก็กลับมาดูกายนะดูกายนี่เป็นทั้งฐานนะเพราะว่าก่อนจะดลงไปคิดเนี่ยเรารู้กายไปก่อนเนาะพอเรารู้สึกตัวอยู่ตรงนีน้ที่จริงมันไม่ได้คิดอะไรนะใจปกติอยู่แต่ตอนดลงเข้าไปนะั่นแหละไม่ปกติแล้วอแต่ไม่เป็นไรถ้ารู้รู้ความคิดดูจิตตรงๆไม่ได้เราก็กลับมาดูกายใหม่ ใจก็กลับมาเป็นปกติใหม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าบางครั้งมันรู้ได้ก็รู้มันแล้วก็เห็นเออไม่ต้องทำอะไรแค่รู้จิตเฉยมันก็หยุดของมันเองได้นะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะให้รู้สึกว่าออการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้ยากนะแต่เพียงแ้วมันอาจจะใช้เวลาในการทำสิ่งนี้ ให้มันต่อเนื่องให้มันบ่อยๆนะให้มันไปเรื่อยๆนะโดยการที่ทำเหตุนะแต่เราก็รู้ทันเวลามันคาดหวังผลคนะาดหวังผลเนะี่ยไม่ใช่ว่าคาดหวังผลแค่ว่าเราจะบรรลุษทรเ ม, มื่อไรนะแต่จริงแค่คาดหวังผลว่าเราจะต้องรู้ตัวตลอดเราจะต้องไม่หลงนี่ก็คาดหวังผลแล้วนะ <c oughs> เราคาดหวังให้มันไม่คิด ให้มันเดิมคิดเนี่ยคือคาดหวังผลแล้วคนะาดหวังว่ามันจะต้องเบาสบายเนี่ยก็คาดหวังผลแล้วนะแล้วก็สนุกในการเห็นความหลงถ้าสนุกในการเห็นความหลงเนี่ยการภาวนาก็ก็จะสนุกนะแต่สนุกไม่ใช่แบบเพลินนะแบบแต่มันก็ดีนี่มันได้เห็นความหลงตัวเองนะเออมัน เตือนตัวเองสอนตัวเองได้นะก็ฝากไว้